ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มาพบ ก, กับท่านในเรื่องที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกตามเดิมสําหรับพระพุทธศาสนาช่วยโลกตอนนี้จะนำหัวข้อในข้อความที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงเป็นผู้ทําความดีไว้ในการก่อน คำว่าในการก่อนในที่นี้ไม่ใชหมายความว่าจะต้องเป็นชาติก่อนหรือสมัยก่อนเสมอไปรวมความว่าถ้าเราต้องการผลของความสุขจะเป็นความร่ำรวยในทรัพย์สินก็ดีในฐานะยทธาบรรดาศักด์ในตำแหน่งหน้าที่ก็ดีหรือว่าจะเป็นหคนหน้าคนคนดี จะเป็นผู้แทนรัฐสรก็ดีจะเป็นผู้ปกครองจังหวัดผู้ปกครองอำเภอผู้ปกครองประเทศก็ดีเราก็ต้องสร้างความดีไว้ก่อนคำว่าความดีในที่นี้ก็หมายถึงว่าความสามารถในการบริหารงานความสามารถในการปกครองความสามารถในการเอาชนะใจคนโดยธรรม ให้บุคคลทั้งหลายก็เห็นว่าเราเป็นพจนดีมีความสามารถคนที่จะปกครองเขาได้มีความเป็นผู้ใหญ่พอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันเรือ่อดีที่แล้วมามักจะมีการสไตรากันอยู่เสมอมีการขอขึ้นเงินเดือนบ้างขอเงินสวัสดิการบ้าง การกระทำแบบนั้นถ้าหากว่าเราทำความดีไว้ก่อนมีความดีให้ในจ้างเขามีรายได้พอการที่จะขอขึ้นเงินเดือนขอสวัสดิการมันก็เป็นของไม่แปลกแต่ถ้าหากว่าถ้ารูกจ้างทำความดีไม่พอทำงานแบบประเภทเช้าชามเย็นชาม งานของในจ้างไม่กลา้าหนาอย่างนี้จะขอการขึ้นเงินเดือนแล้วขอสวัสดิการก็ไม่เกิดประโยชน์การทำงานทุกอย่างจะเป็นงานรับจ้างก็ดีหรือว่าเป็นงานขั้นรียการก็ดีจะเป็นการทำไร้ไถนาการค้าการขายก็ดีก็ต้องสร้างความดีไว้ก่อนเสมอคือต้องทำงานทุกอย่าง ให้ถือเสมอว่างานนั้นเป็นงานของเราเองทีแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรามีหุ้นส่วนในในการงานนั้นๆถ้าหากว่าการกระทำงานของเราไม่มีผลให้เกิดขึ้นเป็นผลกำไรก็ต้องถือว่าเราเป็นผู้ขาดทุนด้วยถ้ือว่างานนั้นมีผลกาไรน้อย เราก็มีหุ้นส่วนได้รับผลน้อยถ้างานนะั้นมีผลมากเราก็มีหุ้นส่วนในการรับผลมากถา้าบรรดาลูกจ้างในกรรมกรทั้งหลายจะเป็นลูกจ้างของรัฐคือข้าราชการก็ดีลูกจ้างของพ่อค้าในทุนทั้งหลายก็ดี ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ถือว่าการงานทุกอย่างเป็นงานการเป็นการงานของตนเองผลที่เราจะได้รับมากหรือน้อยเป็นผลแห่งความสามารถของเราและก็ช่วยกันทำกิจการงานนั้น ด, ด้วยดีเมื่อผลกำไรดีนายจ้างเขาก็ให้เงินดาวเงินเดือนดีสวัสดิการดีมาสำหรับนายจ้างก็เหมือนกัน นายจ้างต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกจ้างทุกคนเป็นหุ้นส่วนในกิจการงานของตนไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างลูกจ้างคนไหนทํางานดีสร้างผลประโยชน์ขึ้นมามากก็ให้หรางวัลตามสมควรแก่ความสามารถเป็นอนุภาพทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ทําความดีไว้ก่อนคือมีใจดี มีความรู้สึกว่าลูกจ้างก็ดีในจ้างจะมีความรู้สึกในบุคคลพวกนั้นว่าเขามีหุ้นส่วนในการงานนี่สำหรับลูกจ้างก็ต้องถือว่าการงานที่นายจ้างจ้างเราเป็นการงานที่เรามีหุ้นมีส่วนคำว่าหุ้นส่วนในที่นี้ก็หมายถึงผลที่เราจะได้รับการตอบแทนถ้าลูกจ้างทุกคน ทำงานประเภทสักว่าไปทำงานวันหนึ่งวันหนึ่งไม่พยายามหาความดีสั่งสมผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแกในเจ้างมากๆเยางนี้ตนเองก็จะพลอยลำบากไปด้วยเงินดาวเงินเดือนหรือเองินสวัสดิการที่เราจะได้เขาก็ให้เรามากไม่ได้ถ้างานนั้นขาดทุนเราเองก็ต้องไปพนผู้ล้มละลายคือพ้นจากการงานนั้น สำหรับในจ้างก็เหมือนกันถ้าคิดแต่เพียงว่าจะเอาเปรียบลูกจ้างเสมอไปผลที่จะเพึงมีเกิดขึ้นเยได้ต้องคิดอยู่ว่าถ้าเราไม่มีลูกจ้างช่วยทํางานงานนั้นจะก้าวไปได้ดีไม่ได้ถ้าลูกจ้างเขาไม่ดีผลกําไรเราก็ไม่เกิด เมื่อผลกำไรเกิดขึ้นมาเพร่ออาศัยความดีของลูกจ้างก็ต้องเพิ่มคนขงิน ด, ดาวเงินเดือนหรือสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างตามสมควรกับความสามารถในธาโลกทั้งโลกมีบุคคลมีความเห็นอย่างนี้สม่าเสมอกันขอท่านหลายจงคิดว่าพยายามคิดดูว่าโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ ข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกความจริงพระองค์ทรงช่วยแล้วแต่ว่าคนที่เอรับความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้ามีหรือไม่อันนี้สงสัยสําหรับข้อต่อไปท่านกล่าวว่าถ้าบุคคลนั้นหลายมุ่งความสุขความเจริญของตนให้าหาที่อยู่ที่อาศัย เป็นสถานที่ที่สมควรกับตนสถานที่อยู่ที่อาศัยนี่มีความสําคัญไหมกันพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าการครบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นการอยู่การที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนการครบต้องดูบุคคลพาใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงและสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่สถานที่เราจะอยู่ ถ้าที่จะอยู่นั้นมีสิ่งแวดล้อมไม่ดีคือเป็นคนคนใกล้ๆเสพสุรายาเมาหรือว่าเป็นอันพานมีเส้นดานหยาบชอบลุกรานบุคคลอื่นแล้วก็เอาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นมาเล้งเลี้ยงตนคนประเภทนี้ถ้ามีอยู่ในที่ใดถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้อาศัยเคยชินที่มีการสัมผัสกัน นี่สายของเรานั้นก็อย่าพลอยติดตามเขาไปด้วยถ้าเราอยู่ในหมู่ของบุคคลที่ดื่มสุราไม่ไรแต่ในขณะที่อยู่ร่วมกันเดิมทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ใช่นักดื่มสุราไม่ไรแต่ ว, ว่าคนในที่นั้นเขาดื่มกันหมดก็สวนเสียเฮฮาสร้างความสนุกสนาน แสดงความเป็นอันด า, าพานลุกรานบุคคลอื่นแล้วก็ผลประโยชน์เกิดขึ้นเช่นมีการลักการขมโมยฉกชิงวิ่งราวเป็นต้นได้ผลคือเป็นเงินเป็นทองมาใช้ให้เกิดความสุขเขาไม่ได้คิดถึงความทุกข์ที่เขาจะพึงได้ <c oughs> ถ้าการอย่างนี้จิตใจของเราสัมผัสอยู่เสมอเสมอ <c oughs> สักวันหนึ่ง ผลก็คือความพอใจมันจะเกิดขึ้นเรื่องนี้เคยปรากฏมาในอดีตแห่งใกล้ในสมัยที่มีโจรผู้ร้ายมากๆหลังสงครามโลก ค, ครั้งที่สองที่เขาเรียกกันว่าโจรเสือฝ้ายโจรไม่เห็สวนโจรเสือดำโจรเสือเสือย่อมอะไรพวกนี้เป็นต้นเป็นกลุ่มโจรที่มีกำลังใหญ่ เวลานั้นเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองไม่สามารถจะจะปราบปรามได้เด็ดขาด <c oughs> ในดินแดนที่โจรอยู่โจรมีอำนาจสามารถจะบังคับให้ชาวบ้านส่งสวยเป็นประจำทุกเดือน <c oughs> หรือว่าเป็นประจำรายการหกเดือนหรือรายปีแล้วบุคคลทั้งหมดในเขตนั้น <c oughs> <c oughs> ก็ต้องอยู่ในอำนาจของโจร โจรต้องการอะไรก็ทองได้แม้แต่เห็นว่าลูกสาวไข่สวยลูกสาวไข่ดีโจรต้องการไปเป็นัญญาโจรก็ทองได้ในเมื่ออำนาจของโจรดีอย่างนี้ก็ปรากฏว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่มีคดีอาญามาก่อนเข้าไปอยู่กับพวกโจรเป็นมากเพราะหวังผลประโยชน์ลอำนาจตามนี้เป็นอนุว่าที่อยู่ แต่กล่าวว่าจะต้องหาที่อันสมควรถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มโจรเราก็เป็นโจรไปด้วยอย่างที่องค์สมเด็จพระ ส, มสมัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าบุาคคลใดที่ถือตัวว่าเป็นบัณฑิตแต่ว่าเป็นบัณฑิตประเภทสัญญาไม่ใช่เป็นบัณฑิตประเภทปัญญาถ้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เป็น่าน ภายในไม่ช้าสันดานพันมันก็ค่อยๆติดคือมาซึมเข้ามาทีละน้อยลนๆเพราะว่าจิตใจของคนเราส่วนใหญ่ก็มีกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจเมีารมณมต่ำคอยดึงฉุดอยู่แล้วแต่หากว่าบรรดาพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดพิจารณาสถานที่นั้น ว่าที่นี้เป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขเป็นคนที่มีจิตเมตตาปราณีมีความรักซึ่งกันและกันมีความโสสารคอยช่วยช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในกลุ่มคนกลุ่มนั้นไม่มีความอิจฉาหรือศียาซึ่งกันและกันทรงอารมณ์ความเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์ ปราศจากอาคติคือความลำเอียงเที่ยงทันไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวทุกคนทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสถานที่นั้นควรอยู่สถานที่กล่าวมาในตอนแรกบุคคลประเภทด้านมีอยู่คือความเบื่ออันดภานไม่ควรอยู่ เพราะว่าถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีความดีมีความรักซึ่งกันและกันไในเคีงนั่งเขาไม่รุกรานกันเขาไม่ประหัดประหารกันไม่แกล้งแกล้งกันมีความสงสารซึ่งกันและกันคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอเมื่อพบหน้าค่าตากันเมื่อไร่ก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความชื่นใจให้ปรากฏ อย่างนี้คนในสถานที่นั่นก็มีอารมณ์แต่ความชื่นบานตลอดเวลาเราถึงแม้ว่าจะเลวแสนเลวเพียงใดถ้าไปอยู่ในสถานที่คนกลุ่มใหญ่เขามีจริยาแบบนั้นภายในไม่ชชาจิตใจเราก็จะกลายเป็นใจที่ดีไปด้วยเาะความดีของเจ้าของที่ช่วยให้เราเกิดความดี ก้อนนี้องค์สมเด็จพระจินสีเปรียบเหมือนกับผ้าที่ต้องถูกสีย้อมผ้าที่มีสีขาวถ้าเราไปพบสีดําสีแดงเข้าไปแตะต้องเข้ามันจะป้วนเข้ามาทีระน้อยละน้อยไม่ช้าก็กลายเป็นสีอย่างนั้นถ้าบังเอิญผ้าของเรามีความสุกปรกแต่ไปอยู่ใกล้ที่ส ก, กัดความสุกปรกได้กับของซักฟอกชันดี เมื่อกระทบกระทั่งกระผมชั้นผงชั้นฟอกชั้นดีบ่อยๆเข้าสีที่มีความสุกกระปรกก็เหือดหายไปเยกลายเป็นผ้าที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม่สถานที่อยู่เราก็ต้องเลือกคำว่าเลือกในที่นี้หมายถึงว่าเลือกบุคคลที่อยู่ในที่นั้นไม่ใช่เลือกแผ่นดิน ว่าคนในที่นั้นเขาเป็นคนดีแล้วเขาเป็นคนชั่วถ้าเป็นกลุ่มของคนชั่วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่สมควรที่เราจะเข้าไปอยู่ก็ความชั่วมันจะหลั่งไหลเข้ามาโสจิตแต่หากว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่มีคนดีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าควรจะอยู่ที่นั้นเพราะเราจะพรอยดีไปด้วย การแนะนำคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานี้ในข้อ น, นี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังท่านหลายเห็นว่าพระพุทธศาสนานช่วยคนแล้วหรือย่างที่ส่งแนะนํามาอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นความถูกหรือความผิดสงคนรหรือไม่สงคนเพียงใดขอท่านผู้ฟังทัานหลายโปรดรับฟังและพิจาาเอาไว้เป็นเครื่อง ถ้าพึปฏิบัติถ้าเห็นว่าดีก็ปฏิบัติตามนี้ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็โยนทิ้งไปเบ น, นั้นว่าข้อนี้ขอยกไปเมื่อกล่าวมาอย่างนี้ก็คออย้ท่านหลายพิจรารณาเอาเองว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นจะดีหรือไม่ดีเพียงไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสอนแล้วก็ไม่มีการบังคับ ทือว่าเห็นควรหรือไม่เห็นควรก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องเขาองค์สมเด็จพระพิชิตธมานจะพึงเข้าไปบงังคับบัญชาท่นนี้ข้อต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าขอให้ตั้งตนไว้ชอบคําว่าตั้งตนไว้ชอบนี่ ไม่เช่หมายที่ว่าการไปตั้งตัวการไปส่งตัวไปยืนอยู่ที่ไหนเท่าที่ไหนก็กิจริยาที่ตั้งตนไว้ชอบก็ให้ใช้จิตเชื่อสติสมัมปชัญญะพิจารณาไว้เสมอว่าอาการอย่างใดเป็นความดีเป็นปัจจัยของความสุขสร้างอารมณ์ให้ชื่นบานปราศจากความทุกข์ ไปนั่งพิจารณาดูที่อง์สมเด็จพระบรมครูลกล่าวลักษณะทิ้งคนผ่านการฆ่ากันการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันการลักการขโมยของซึ่งกันและกันการคดโกงซึ่งกันและกันหรือว่าการแย่งคนรักของกันและกั น, ก, นการพูดไม่จริงพูดคําหยาบ เยอยุโยงส่งเสริมให้แตกร้าวกันใช้วาจาที่เป็นเครื่องเสเถือนใจกรทม ก, การทำลายสติสมัชัญญาอาการอย่างนี้เป็นที่ชอบของเราไหมเราก็คงไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราก็พิจารณาต่อไปถ้าคนทุกคนรักกันยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากัน แต่คนทุกคนต่างคนต่างโสงสารช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและคนทุกคนไม่มีความอิจฉาและศีลยาซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นดีรอยินดีด้วยแล้วก็สร้างความดีตามคนทุกคนเป็นคนที้อายอายความชั่วคนทุกคนเป็นคนเกรงกลัวกลัวความชั่วสร้างแต่ความดี คนทุกคนต่างคนต่างรู้จักคุณซึ่งกันและกันเมื่อบุคคลใดทําความดีให้เกิดเหตนตนตนมีความสุขแลก็ตอบสนองความดีแก่บุคคลนั้นแลยคนทุกคนต่างคนต่างเห็นใจซึ่งกันและกันสร้างแต่ความดีไว้เสมออาการอย่างนี้แปลอาการที่เราพอใจไหม ถ้าพอใจก็สแสดงว่าอาการอย่างนั้นแปลาการที่เราชอบในเมื่อเราชอบแล้วก็ตั้งตนไว้ตามนั้นเพราะนั้นว่าทำลายความชั่วทรงไว้ซึ่งความดีคำแนะนำขององค์สมเด็จพระชินาร์สีบรมศาสดาในตอนนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเห็นว่าเป็นการสมควรไหม ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้เราจะมีความสุขหรือ ว, ว่าเราจะมีความทุกข์เป็นอันว่าพิจรารณากันอย่างคนโง่ก็ถือว่าถ้าดินแดนแห่งใดเนื้อคนหมู่ใดคณะใดก็ตามถ้าต่างคนต่างมีความดีตามนั้นอาการจิตใจก็จะเต็มความปริความชุ่มชื่นแม่อาจารย์จนันก็จะมีแต่ความสุข หาความเศร้าหมองใจไม่ได้ไม่ได้ความรื่นเรือหันษาการงานที่เราทําก็ทําพได้ความสุขไม่ต้องเกรงว่าใครเขาจะมาลักมาขโมยสิ่งของจะเดินทางไปทั้งไหนก็ปราศ จ, จากอันตรายไม่ต้องระแวังระวั ง, วงภัยที่จะเข้ามาทิ้งตนต่างคนต่างเป็นที่รักของคนด้วยกันอย่างนี้พระบรนดาท่านผู้ฟังทุกท่าน จงพิจารณาดูว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วหรือยังช่วยโลกแล้วหรือยังถ้าคนทั้งโลกปฏิบัติได้ตามนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์นั่นตอนหนึ่งแล้วก็อีกตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้คาว่าศาสนาแปลว่าคำสอน แต่นกล่าวว่าจงเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีความรู้ในศิลปวิทยาการหมายความว่าจงมีความหมั่นเพียรสันดับตรับฟังคำแนะนำคำสั่งและคำสอนของท่านผู้ส่งความดีและก็ศึกษาวิชาความรู้ให้ดี วิชาความรู้แขนงใดที่เป็นที่พอใจสำหรับเราจะเป็นปัจจัยให้เกิดเกิดความฉลาดมีความสามารถในการเลี้ยงตัวได้ดีองสมเด็จพระจินัสสีบอกว่าคนจะสะสมไว้การฟังมากมีประโยชน์ทั้งกล่าวว่าสุดสุดสดูสังนวติปัญญงัง แต่การฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังมากเป็นเกิดกิ เ, เหตุให้เกิดความฉลาดมากนี่การศึกษาวิชาการต่างๆให้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเวลาที่เราศึกษาเราไม่ได้ตั้งใจศึกษาครูสอนไม่ตั้งใจฟัง ต ำ, ตำรบตำราไม่ตั้งใจดูในเวลาผลที่จะเพิงได้ในเวลาสอบก็คือสอบตกแต่หากว่าเราตั้งใจฟังมากตั้งใจศึกษาดีเวลาสอบก็สอบได้ถ้าสอบได้ก็ได้อย่างคนมีสมรรถภาพไม่ใช่สักแต่วันได้เพราการได้ยินได้ฟังเป็นบอ่อเหตุเป็นเหตุให้เกิดปัญญา การตั้งใจในการศึกษาเป็นเหตุให้เกิดความสามารถทั้งสองอย่างนี้ถ้ามารวมกันในตัวของบุคคลบุคคลนั้นจะมีทั้งปัญญาและความสามารถจะทำกิจการงานทุกอย่างอะไรก็ตามก็สำเร็จมดและก็สำเร็จด้วดีคำแนะนำขององสมเด็จพระจินสศรีในตอนนี้ท่านผู้ฟัง เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกแล้วหรือยังถ้ายังจเจ้ายังไงกันดีตเต็นว่าดีก็รับไฟเต็เนไม่ดีก็โยนทิ้งไปที่พูดในฟังนี้ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติตามเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่มีน้ำใจคับแคบและไม่มีน้ำใจสามอย่างนั้น องสมเด็จพระพระุทธกวันถือว่าเป็นผู้แนะนําชี้ทางให้เท่านั้นเต้นว่าสมควรจะนําไปใช้ได้ก็ไปใช้เห็นว่าไม่สมควรจะนาไปใช้ก็ยงอย่าใช้เพราะนั้นว่าถ้าราจะมานั่งคิดกลับหลังกันโดยทีว่าคนที่ไม่ยอมรับฟังคําแนะนําคําสั่งสอนคําตักเตือนเขาเป็นคนเอง กับคนนี้เกลียดข้านครั้นในการถึกศาศินปาวิทยาการเอาแต่เที่ยวเดินเย่เย่อเ ย, ยกันมีอะไรสะดุกที่ไหนยุ่งที่นั่นคนประเภทนี้จะมีความดีความสามารถมาจากไหนถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักถึอศาทีายาสอบได้ก็คงจะมีแต่กระดาษเป็นเคร่รับรองเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความสามารถ สำหรับคนนี้ก็ขอผ่านไปข้อต่อไปองค์สมเด็จไปจอมใจต้องดัดว่าจงเป็นผู้มีระเบียบด้วยการศึกษาดีแล้วคือระเบียบด้กับความประพฤติดีประพฤติชอบในสถานที่ในก็าวางกฎไว้ประเภทไหนวางกฎไว้อย่างไรเราปฏิบัติอย่างนั้น แล้ว ก, การศึกษาศิลปะวิทยาก็เต็มไปทำให้เต็มความสามารถทรงจำให้ดีทุกถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราจำได้หมดอย่างนี้ดีหรือชั่วโลกเราที่ปราศ จ, จากความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเวลานี้ ที่มีความยงยุ่งเขาเป็นการปราศจากระเบียบไม่เคารพในระเบียบเป็นสําคัญเรื่องระเบียบระวีในคือวีในเราก็เรียกเขาว่าระเบียบกฎหมายเราก็เรียกเขาว่าระเบียบประเพณีเราก็เรียกเขาว่าระเบียบศีลธรรมเราก็เรียกเขาว่าระเบียบจะย้อนหลังไปสมัยที่มียุวชนทหารที่ต้นตอมจอมพลี่บูลสงคราม ท่านเป็นนายกสทเต้าระยะไกลๆสมัยนั่นคนไทยมีระเบียบดีถึงแม้ว่าที่ไม่ดีจะมีอยู่บ้างก็ตามทีแต่ทือว่าความที่เป็นบุคคลที่มีระเบียบในฐานะที่เป็นสชาตินิยมก็รู้สึกว่าเขายมีความสุขกันมากทราบรรดาท่านผู้ถวริัทข้นนี้ถ้า่าพูดไปเวลามันก็เกินไปเสแล้วก็ต้องขอลาก่อน รับฟังกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์พุ่ ผ, ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี